ตอนที่พวกเรานั่งภาวนากันเนี้ยขอดีนะส่วนใหญ่ไม่ได้บังคับแต่มันอยู่ได้ไม่นานรู้ตัวอยู่แป๊บเดียวมันไหลไปนะหลงแฉลบไปแฉลบมากกำลังสมาธิเราไม่พอกํากำลังสมาธิพอเนียใจมันจะตั้งมั่น ส่งตัวอยู่ได้นานมันก็จะได้เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไปในใจเราส่งตัวไม่นานไม่เห็นสภาวะนะใจเราก็ไหลไปแล้วมันเลยไม่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะมันไปไปพร้อมๆกับสภาวะไหลาตามกันไป เราต้องพยายามฝึกให้จิตใ จ, จตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกัตัวให้ได้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเรียกว่าจิตผู้รู้จิตที่มันเป็นผู้รู้ความจริงจิตมันก็คือผู้รู้อยู่แล้วละจิตในอภิธรรมนะก็นิยามจิตไว้ก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิต นี่คำว่าจิตผู้รู้มันเป็นเทคนิคโอเทอม์กรองครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นเก่าๆมันคือจิตที่ส่งสมาธิที่ถูกต้องจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้มากนี่จิตถ้ามันไม่ส่งตัวอยู่อย่างพวกเรานั่งตะกีนะ้นั่งถูกนะส่วนใหญ่ตะกี้เนะี้ยไม่ได้นั่งเครียดเคียดเพ่งเพง นั่งรู้เนื้อรู้ตัวดีโดยเฉพาะตอนที่หลวงพ่อเดินออกมาเนี่ยพวกเรา a l ลิ t ใจมันตื่นตัวส่งสมาธิขึ้นได้ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วพอนั่งต่อมาอีกไม่ถึงนาทีก็เริ่มไหลๆหลไ ห, ลหลไปด้วยความเคยชินตรงที่มันไหลไปมันเลยไม่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับ พรจิตเองมันก็เกิดดับไปเรียบร้อยแล้วมันไม่สามารถเป็นคนดูได้ตลอดกระบวนการนั้นมันจริงๆจิตนะันเกิดดับรวดเร็วทียิเลยจิตผู้รู้มันก็เกิดดับแต่ทําไงมันจะมีจิตผู้รู้เกิดดับต่อเนื่องกันยาวๆหน่อยมีจํานวนมากๆหน่อยไม่ใช่มีแว บ, บเดียว หลงไปอีกยาวเลยรู้ตัวอีกแว บ, บหนึ่งหลงอีกยาวเลยจิตแบบนั้นเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกเห็นสภาวะเกิดขึ้นนะยังไม่ทันจะเห็นมันดับเลยหลงไปที่อื่นก่อนละพวกเราหันใหม่ๆสังเกตไหมเราเห็นสภาวะเกิดขึ้นนะแต่ไม่ค่อยเห็นมันดับไปว่าเราหลงไว้สะก่อนที่จะเห็นมันดับงนการฝึก จิตให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการปฏิบัติไม่ใช่สมาธิแบบเคลิมเคลิมด้วยไม่ใช่สมาธิออกนอกเห็นโน้นเห็นนี้นะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูวิธีที่เราจะฝึกให้ได้สมาธิชนิดนี้นเราต้องทำกรรมาฐานสัอย่างหนึ่ง ต้องให้จิตมีเครื่องอยู่หลวงพ่อพุทธะใช้คําว่าให้จิตให้มีเครื่องรู้ของจิตให้มีเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติก็คือตัววิหารธรรมอันใดหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติระลึกอยู่หมายถึงว่ามันมีอยู่ก็รู้มันหายไปก็รู้ คอยรู้ทันมันงั้นเราหัดกรรมฐานนะเริ่มต้นพูดโธไปก็ได้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้จะขยับไม้ขยับมือจะดูท้องพองยุบหรือจะบริกรรมอย่างอื่นไม่ใช่พูดโธก็ได้แต่จุดสําคัญก็คือเมื่อทํากรรมฐานนั่นใดนหนึ่งแล้วเนี่ยให้คอยรู้เท่าทันจิตตนเอง อย่างเราหายใจเข้าพูดธหายใจออกโรสภาพเดียวมันลืมการหายใจลืมพุโทโธไปคิดเรื่องอื่นแล้วคิดเรื่องประธานาธิบดีคนหนึ่งติดโควิดอะไรเงี้ยไม่คิดอย่างนั้นคิดแล้วกิเลสก็เกิด น, นะบางคนก็สะใจบางคนก็สลดใจอะไรก็กแล้วแต่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ย หลงลืมพุทธโธนะแมันจะไปคิดเรื่องอื่นเพราะฉั้นใจมันเป็นของที่รวดเร็วหนีไปรวดเร็วมากนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าปกติเนะยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตมีปกติเที่ยวไปรวดเร็วพวกเราเห็นได้อย่างจิตมีปกติเที่ยวไปรวดเร็วมาเที่ยวเก่งไหมเที่ยวเก่งมากเลยตัวเรายังอยู่บ้านเลย แต่จิตไปเที่ยวตั้งรอบโลกมาแล้วหลายรอบแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ไม่ผิดหรอกท่านบอกจิตมันมีปกติเที่ยวไปรวดเร็วนะก็มันปกติมันอย่างนั้นจะไปห้ามมันได้ไหมห้ามมันก็ไม่ได้นะแต่จิตเนี่ยเป็นอรัตตาห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้แต่จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ ห้ามมันไม่ได้แต่ฝึกมันได้คือให้การศึกษากับมันได้ให้การเรียนรู้กับมันได้จนมันฉลาดแล้วมันก็ค่อยดีของมันเองงั้นเราไปสั่งจิตให้ดีเนี่ยทำไม่ได้นะแต่เราฝึกจิตให้ดีได้วิธีฝึกจิตให้ดีถ้าจะดีแบบให้มันสงบสุขก็มีวิธีฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เรามีความสุข ถ้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วมีความสุขแล้วก็ใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าเราหายใจแล้วอืดอาดพุดโทอย่างเดียวเราก็พูดโทอย่างเดียวแล้วมีความสุขก็เอาไม่ชอบคําว่าพุดโทเลยอยากจะใช้สัมมาหังนามาภะท า, าใช้อะไรก็ได้ที่ทําแล้วมันมีความสุขถ้าทำแล้วเคร่งเครียดใช้ไม่ได้นี่เวลาเราจะทํากรรมฐานนะ ถ้าต้องการให้จิตมันสงบสุขเราก็อยู่กับกรรมฐานที่อยู่แล้วสบายใจอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อก็หายใจเข้าพูดหายใจออกทูทำมาแต่เด็กมันชินหายใจแล้วไม่มี่มปมสุขถ้าเราหายใจแล้วอ่นอาดก็แสดงว่าไม่เหมาะไม่ใช่กรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานมีเยอะแยะไปไปดูลองเซิร์ช Google ดูเรื่องกรรมฐานสี่สิบ ในตำราจะไว้สี่สิบอย่างในทางปฏิบัติจริงนับไม่ท้วนอย่างพระจุลพันธกาท่านท่องบทสารเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยท่อง่ยก็จำไม่ได้พระพุทธเจ้าให้ท่านขยี้ผ้าขาวขยี้ผ้าเช็ดหน้าขาวๆเนี่ยบริกรรมสั้นๆผ้าเช็ดฝุน่นย่อมเช็ดฝุน่นบริกรรมนิดเดียวแค่เนี้ย อย่างนี้จาได้บอกระโชหรนังระชังหระติระโชหรนังระชังหรติท่องแล้วสบายใจฟังแล้วสบายใจไหมประโยคนี้ระโชหรนังระชังหรติฟังแล้วแหมมุนนะฟังแล้วมีความสุขถ้าฟังแล้วํำคาญไม่ได้ผลเพราะมีความสุขนะอย่าจงใจให้สงบ เราอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานที่มีความสุขอยู่เล่นๆไปอย่างนั้นแล้วสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสงบหรือฟุ้งซ่านก็ไม่เป็ไนไรอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขไปพะจิตมันหมดความจงใจสมาธิจะเกิดขึ้นครูบาอาจารย์องค์หนงของหลวงพ่อนะคือหลวงพ่อพุทธฐานยโยท่านสอนบ่อยๆเลยสมาธิเริ่มเมื่อหมดความจงใจ วิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดท่านสอนสั้นๆสองประโยคเนะี่คลุ่มเรื่องของการทําสมถะและวิปัสนาไว้ทั้งหมดละ่ะสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจเงั้นเราต้องการให้จิตสงบเราก็ทําสมถะทํากรรมฐานอะไรแล้วสบายใจก็ทําไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะขอได้ทําเท่านั้นแหละพอใจแล้ว เมื่อเราหมดความจงใจใจก็หมดความโลภนะไม่โลภใจไม่โลภใจก็มีสติอยู่นะอยู่กับรวมความฐานไปสบายๆเดี๋ยวมันจะรวมของมันเองจะรวมลงไปสว่างสไายขึ้นมามันเป็นของมันเองอย่างคนที่มีวสีชำนาญในการทำสมาธิสงบเร็วนะ่ะไม่ใช่ไปบังคับจิตให้สงบนะไม่ใช่ ไม่สงบหรอกแต่มีชั่วโมงบินสูงในการทำสมาธินี่สามารถรู้อารมณ์กรรมาฐานนะด้วยใจที่เป็นกลางได้ใจที่สบายๆ ส, สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะเนีหลพ่หลับตาลงไปนะนก็มีปีติมีความสุขแล้วนันอยู่ที่การฝึกของเรา แต่ถ้าเราจงใจให้สงบมันจะไม่สงบเวลาเราจงใจหลับจะหลับง่ายไหมอยากหลับคืนนี้นอนไม่หลับเลยพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานแต่เช้ามดืดอยากหลับแล้วหลับไหมยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งไม่หลับเลยใครเป็นคนหลับยากบ้างหลวงพ่อจะสอนคาถาให้ยกมือซิ้อมีแม้ถ้าไม่มีจะได้ไม่สอนไม่มีวามีสองสามคน มีจำนวนน้อยเดี๋ยวเลิกแล้วมาตรงนี้จะสอนให้คนอื่นเขาไม่ได้อยากฟังง่ายๆเลยนะท่องไว้หลับก็ช่างไม่หลับก็ช่งางพอหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างน้าหลับเลยแต่จงหลับจงหลับจงหลับไม่หลับหรอกเพราะจิตนี้ไม่ชอบให้ใครบังคับ เหมือนเด็กไม่ชอบให้คนบังคับงั้นเราก็ไม่บังคับมันถ้าบังคับมันมันไม่มีความสุขไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดสมาธิก็นอนหลับก็คล้ายๆกันนี่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเคยสอนด้วยําแฝปว่าถ้าทำไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้นะนเวลาที่เราเหนื่อยเราเครียดมากๆทาสมาธิไม่ได้นะไปหลับสักีบหนึ่ง ตื่นขึ้นมาสดใสแล้วทําสมาธิต่อได้หรือปฏิบัติต่อได้หรือทํางานต่อได้นะนเช็คลับของการทําสมาธิอย่าไปจงใจให้สงบหลวงพ่อพุธท่านถึงสอนสมาธิเริ่มเมื่หมดความจงใจถ้าจงใจให้สงบมันจะไม่สงบเหมือนจงใจจะให้หลับมันจะไม่หลับแต่ถ้าเราอยู่กับอารมณ์สบายสบายไปนะ บางคนชอบฟังเพลงอันนี้สำหรับคารวาดนะชอบฟังเพลงเวลานอนไม่หลับก็เปิดเพลงฟังไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลับแล้วสบายใจบางคนชอบกลิ่นหอมนอนไม่หลับก็มีอะไรหอมๆ ม, มาตั้งไว้ได้กลิ่นแล้วสบายใจเดี๋ยวก็หลับก็พระทํามยาง ไ, ไม่ได้ใช้รูปใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รสเลยไม่มีจะใช้ เราก็ต้องใช้การฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้ดีวางใจให้เป็นกลางไม่ให้มีน้ำหนักเวลาเราจะให้ใจได้พักผ่อนเนี่ยเราวางใจสบายๆไม่ให้เกิดการใช้พลังงานของจิตจิตของเราเนี่ยมันใช้พลังงานตลอดเวลาคิดโน้นคิดนีนดนบ่บับงคับโน้นบังคับนี่ใช้พลังงาน ยิ่งกิเลสแรงนะพลังงานยิ่งเปลืองนี่เราสังเกตวเสิลองหลับตาดูลองหลับตาไปก่อนนะแล้วลองทำกรรมฐานทำสมาธิอะไรสักอย่างพุโทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้แล้วเราสังเกตดูมันมีจุดที่เราใช้พลังงานน้อยถ้าเรายิ่งคิดยิ่งดิ้นรนจะใช้พลังงานเยอะเราสังเกต น, นะมันจะมีจุดที่ใช้พลังงานน้อย ไม่แกลงน้อยนะถ้าแกลงน้อยแล้วทำเป็นเคลิ้มเคลิ้อมอันนั้นใช้พลังนะทำจิตให้เคลิ้มมันก็ใช้พลังงานเวลาเราจงใจขึ้นมาม่จะใช้พลังงานตรงนี้ดูออกบ้างไหมพอจะสังเกตเห็นไหมว่าจิตของเราเนี่ยเวลามันทำอย่างนี้ใช้แรงเยอะทำอย่างนี้ใช้แรงน้อยมันมีจุดที่ไม่ได้ใช้แรง ถ้าเรารู้จักวางจิตเข้าไปที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสมาธิเกิดทันทีเลยไปจิตได้พักผ่อนทันทีเลยจิตไม่ต้องทํางานอันนี้ยอยู่ที่ช่วโมงบินของเราล้วไปฝึกเอามาฝึกตอนนี้อาจจะไม่ทันอย่างพระอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยอยู่กันช่วงหนึ่งก็จะฝึกได้มันเป็นเองหลวงพ่อแค่สะกิดนี่นเดีย ว, วสังเกตไหม เดี๋ยวจิตก็ใช้พลังงานมากเดี๋ยวก็จิตใช้พลังงานน้อยอะไรเงี้ยก็สังเกตเออตรงนี้มากเลยแะ้มีกิเลสแรงเนะียใช้พลังงานมากใช้พลังงานมากก็ไม่ได้พักก็สิก็ไม่ได้มีสมาธิที่จะพักผ่อนงั้นเราลองไปสังเกตนะให้เป็นกันบ้านลงไปเราจะได้ทำสมาธิเป็นอยู่ครับสักทีไม่งั้นทําสมาธิไม่เป็นสักที ในสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จะใช้เดินปัญญาอันนี้ใช้พักผ่อนให้มีแรงจิตมีเรื่องมีแรงแล้วก็ต้องน้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกทำสมาธิแล้วนะก็น้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเพื่อให้เกิดญาณทัศนะให้เห็นสภาวะมันเกิดดับนี่แทนที่จิตจะเพลินเพลินสบายสงบอยู่อารมณ์ที่มีความสุขแค่นั้น เราก็มาปรับจิตนิดหนึง่งรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าจิตเราไปทำอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันจิตมีความสุขมีความทุกข์มีความดีมีโลบปลดลงอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันนี่เราจะค่อยเข้าสู่กันเดินปัญญาตรงที่มีสภาวธรรมเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้สภาวธรรมนะ เรียกว่าสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินีสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะคือหลงคิดเดี๋ยวก็หลงคิดเนี๋ยก็หลงคิดย่งเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกอะเรานั่งอยู่พอหลวงพ่อมานั่งแล้วเย็บๆสักพักหนึ่งจิตเราก็หลงหลงคิดส่วนใหญ่งั้นเราทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งนะพอจิตหลงคิดเนี่ยรู้ทันที่จริงไม่เฉพาะหลงคิดหรอก จิตลงไปทำอย่างอื่นรู้ทันก็ใช่ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันลงคิดก็เลยมุ่งมาที่ลงคิดีจิตกโกรธรู้ว่ากกรดทันทีที่พูะว่ า, วากโกรธนะจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วเหมือนกันลงไปคิดรู้ว่าลงไปคิดจิตลงคิดดับจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นมาตอนที่มันมีจิตเป็นผู้รู้แล้วเนะี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะอย่ารักษามันเพียงแต่ว่าให้มันเกิดบ่อยๆ อย่ารักษาจิตผู้รู้ไว้ถ้าเราจงใจรักษาเนี่ยนะจะเครียดจะเพ่งงั้นเราคอยรู้ทันเท่านั้นนะจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปนี้จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองอยู่ได้เหมือนเหมือนอยู่ได้นานที่จริงก็คือจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับแต่มันเกิดดับต่อนเนื่องกันเป็นจิตรู้ยาวขึ้นมา ไม่งนถ้าเราไม่ได้ฝึกนะมีจิตรู้แวบเดียวเราก็จิตลงอีกอยาวเลยนัน น, อนมีจิตรู้ทีหนึ่งอย่างนั้นเจริญปัญญาไม่ได้กําลังไม่พอนี่เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปได้เนี่ยอาศัยจิตรู้จํานวนมากนะในการรู้แต่และรอบแต่และรอบเนี่ยจิตเกิดดับรวดเร็วมากแต่ถ้าจิตที่เกิดดับเนี่ยเป็นจิตรู้ล้นๆ้ น, นเลยเยอะจํานวนมากนะ มันก็จะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทั้งหลายได้สัญญาความจำเนี่ยจะเข้าไปหมายว่าโอ้มันไม่เที่ยงเนาะจะไปหมายถึงความไม่เที่ยงอาศัยสัญญาหมายใจรลักก่อนขันแรกแล้วต่อไปปัญญาตัวจริงจะเกิดไม่เป็นเรื่องประณีตนะเรื่องของจิตใจค่อยๆเรียนไม่ต้องกลุ้มใจ เราอว่าพดสอนนะสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจเราจงใจให้สงบจะไม่สงบทํากรรมฐานที่สบายใจมันจะสงบนี่เพราะใจมีเลี้ยมมีแรงพอนะใจมันเริ่มทํางานมันพักพอแล้วมันจะสนมันก็เคลื่อนไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้มันจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาได้สมาธิชนิดที่สองขึ้นมาสมาธิอย่างที่สองเอาไว้เดินวิปัสสนา หลวงพ่อพูดสอนบอกว่ามิปั ส, สนาเริ่มเมื่อหมดความคิดตรงไหนที่หมดความคิดก็ต้องที่มีจิตรู้ไงเพราะจิตรู้กับจิตคิดมันตรงข้ามกันถ้าจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่มีจิตรู้จะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ได้อย่างมากที่สุดก็คือคิดเรื่องไตรลักษณ์แต่ไม่เห็นตัวไตรลักษณ์เพนัาจะต้องฝึกจนจิตมันเป็นคนรู้นะ แล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแต่ถ้าตัวรู้เราตายมันจะกลายเป็นตัวคิดแต่ถ้ามันมีตัวรู้มันก็จะเดินปัญญาหลวงพ่อพุทธึงบอกวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดก็คือวิปัสสนาเริ่มเมื่อมีผู้รู้นั่นเองใจเราเป็นผู้รู้แล้วเราก็เดินวิปัสสนาได้เดินปัญญาได้ เราจะเห็นเลยเช่นความสุขเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปทาไมต้องมีตัวรู้เยอะๆเพราะว่าไม่งั้นอย่างบางทีนะมันยังไม่ท่านจะดับเราก็หลงไปที่อื่นซะก่อนลนะอย่างร่างกายเราเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะร่างกายนะมันเปลีป่ยนแปลงช้า ใช้จิตจานวนมากเลยถึงจะรู้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ใช้จิตจำนวนมากถ้าเป็นนามนธรรมเนียใช้จิตเจ็ดขณนะจะรู้สภาวะได้ชัดๆใช้จิตเจ็ดขณนะดูเดียวไม่รู้เรื่องดังนั้นต้องพยายามฝึกตัวเองนะให้จิตผู้รู้มันเกิดบ่อยๆเกิดทีที พอจิตผู้รู้เกิดทีๆแล้วเนี่ยเวลาไปเดินปัญญานะจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราจะรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยจิตมันเดินปัญญาของมันเองเราไม่ได้ทำถ้าเราทำเนี่ยเราอย่างโลบอยู่ปัญญาไม่เกิดหรอกยากไปไหมที่หลวงพ่อสอนใครรู้สึกยาก สารภาพมาเนี่ยก็จะสอนแบบง่ายๆให้ไม่มีนะงั like like ่นจะสอนให้ยากกว่านี้อีกเห็นไหมตอนที่หัวร้อใจมันเผลอละรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะงั้นเราหายใจเข้าฟุ้ดหายใจออกโทหรือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอ่ะพอมีอารมณ์มากระทบอย่างมีเสียงหลวงพ่อมากระทบสัญญาเราแปลความหมายแปลความหมายเสร็จสังขารแล้วข ใช่มันขาขึ้นมาตอนขาขึ้นมาเนี่ยมันลืมรู้ตัวลืมรู้ตัวเองละเราสามารถําได้โดยรู้ตัวนะแต่ขาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเรียกว่ามีโมหะมีกิเลสต้องฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าต้องการความสงบ รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นโดยไม่เจตนาสงบรู้ไปสบายๆเดี๋ยวก็สงบเองถ้าเราต้องการเดินปัญญาเราก็ฝึกให้มีจิตเป็นคนรู้ขึ้นมาวิธีฝึกให้จิตเป็นคนรู้คือรู้ทันจิตที่เป็นคนหลงจิตมันหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่กายเรารู้เดี๋ยวจะเกิดบ่ายที่สวยหลงจิต งั้นจิตลงที่เรารู้จิตลงที่เรารู้นะใ น, นสุดจิตรู้มันจะเกิดมันจะเข้มแข็งขึ้นอย่างหลวงพ่อนะจิตผู้รู้เข้มแข็งนะตั้งแต่เป็นโยมหลวงพูเส็มท่านหนึ่งเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เวลาท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกผู้รู้ผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อพุทท่านจะเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติวันนี้ได้อะไรมาอะไเรียนอะไรมาอะไรไ่ต้ถาม นี่พวกเราก็ทำได้นะจับหลักให้แม่นๆแ ล, ล้วภาวนาไม่ใช่เรื่องยากที่มันยากเพราะทำไม่ถูกหลักอย่างอยากสงบต้องไปเค้นจิตให้สงบน้อมจิตให้เสื่องซึมไม่สงบรู้จักอารมณ์สบายอยู่อารมณ์ที่มีความสุขสบายๆไปแล้จิตก็สงบพอสงบแล้วอย่าอยู่เฉย ต้องกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาถ้าติดในความสุขความสงบอยู่ยังไม่ดีพอเพราะศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งไปจบที่ความสงบต้องเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็เป็นทางผ่านเป็นแค่ทางผ่านนะสิ่งที่ต้องการจริงคือความหลุดพ้นจากกองทุกเนี่ก็ต้องฝึกวิธีเจริญปัญญา ขั้นแรกแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามอย่างตอนเนี้เรานั่งอยู่รู้ไหมร่างกายนั่งขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกหรเปล่าร่างกายนั่งลองยิ้มซียิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มอะไรเงี้ยรู้สึกเอาไม่ใช่นั่งเพ่งนะบอกยิ้มยิ้มในงันไม่ดี นั่งอยู่รู้ว่านั่งรู้ได้ใจปกติไม่ต้องทาใจเครียดเครียดแล้วรู้ว่านั่งใช้ไม่ได้ลองพยักหน้าสิพยักหน้าเห็นไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าลองสายสิรู้สึกไหมร่างกายสายหน้าลองขยับสิขยับมือรู้สึกไหมร่างกายขยับ ต้องทำจิตให้แข็งแข็งไหมเพื่อจะรู้ว่ร่างกายขยับไม่ต้องเลยแค่จิตที่ปกตินี่เรู้ร่างกายมันขยับนะนี่กรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากใช้จิตใจที่ปกตินไปรู้กายอย่างที่กายกำลังเป็นไปรู้จิตอย่างที่จิตพึ่งจะเป็นนะไม่เหมือนกันนะร่างกายกำลังเป็นหรือร่างกายกำลังเคลื่อนนะใช้จิตปกติไปรู้ไม่ใช่จิตเครียดเครียดไปรู้ ถ้ารู้ความรู้สึกความรู้สึกเกิดก่อนแล้วเราก็มีสติตามรู้ไปใช้จิตใจปกตินี่แหละตามรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นมันโกรธขึ้นมาใช้ใจปกตินี่แหละไปดูจะเห็นนะ่ความโกรธมันผุดขึ้นมาความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ความโกรธจิตไม่ได้โกรธด้วยนะมันแยกความโกรธกับจิตมันแยกออกจากกัน อย่างนี้เรีว่าเราแยกขันเป็นความโกรธอยู่ในสังขารขันจิตอยู่ในวิญญาณขันนั่นขันเราแยกการแยกขันเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาการแยกขันเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเมร่นเพราเรารู้ตัวได้แล้วเราดูดูสิร่างกายก็ถูกรู้จิตเราเป็นคนรู้ร่างกายนั่ง จิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้เนี่ยเบื้องต้นฝึกอย่างนี้เลยนะถ้าจะเจริญปัญญาแยกขันลอกไปร่างกายกับพิปตาเมื่อกี้แมงวันมาเห็นไหมมีโยมแมงวันมันจะมาตอบตานะ่ตอนนั้น จิตไปอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่แมงวันนะถ้าตายไปจะไปเป็นลูกแมงวันตายแล้วได้เป็นลูกมแมลงวันเป็นหนอนงั้นเราเนี้ยกระตุกกระดิ๊กอะไรเนี้ยนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไว้แล้วถ้าสติเราว่องไวขึ้นสมาธิเราดีขึ้นเราเห็นจิตมันเคลื่อนไหวใจเขาเป็นคนรู้จิตมีความสุก ความสุขก็เป็นของถูกรู้ความสุขไม่ใช่จิตมีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์เป็นของถูกรู้ความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นแค่คนรู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นแค่คนรู้นี่ค่อยๆแยกค่อยๆดูไปแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดวิปัสสนามนจะเกิดมันจะเห็นเลยนะร่างกายที่หายใจเข้าก็าอยู่ชั่วคราว ร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ชั่ควคราวความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวเนี่มันจะเห็นเลยนะนะเห็นอย่างนี้เรามันเดินมีปัสนาแล้วต้องเห็นนะไม่ใช่คิดถ้าคิดอย่างไม่ใช่มีปัสนาหลวงพ่อโดถึงสอนเนี่ยมีปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด อย่างถ้าเราเราคิดเรื่องไตรลักษณ์เป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นๆเรียกสมัสณียานยังไม่ขึ้นอุทยาพยายานวิปัสนาเริ่มที่อุทยาพยายานคือเห็นไม่ใช่คิดเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปตัวนั้นถือเป็นวิปัสนาเลยขั้นคิดไปยั้งท่านถึงสอนว่าวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด เนี่ยท่านพูดนตรงเป๊ะเลยนคนฟังไม่รู้เรื่องเขาไปหัวเราท่านว่าท่านภาวนาไม่เป็นไม่เก่งอะไรเงี้ยที่จริงเก่งมากเลยนะสามารถสรุปออกมาเป็นภาษาของมนุษย์ยุคปัจจุบันได้ถ้าพูดให้คนฟังคนเรียนปริยัติรู้เรื่องเ่าพูดถ้ายังอยู่ในสมมสนญญาณก็ไม่ขึ้นวิปัสสนาญาณฟังรู้เรื่องหมฟังได้แต่ไม่รู้เรื่อง สมัสนิยานเะน่ยคือการคิดเรื่องไตรลักษณ์ร่างกายเราไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็ตายอะไรอย่างเงี้ยอ น, นี้ยังไม่ขึ้นมีปัสนาไม่ปัสนาต้องเห็นนะเช่นเห็นร่างกายหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับนะเห็นความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดั บ, เ, ดดบเห็นเอาทั้งหมดเลยไม่ใช่คิดเอาดงนั้นใจเนี้ยต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นไดนะ้ขั้นแรกต้องฝึกให้ใจเป็นผู้รู้ขึ้นมา มันถึงจะขึ้นเวทศาสนาได้จริงๆอย่างสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั้นแต่เราองค์แต่ลงหลงพ่อไปเรียนด้วยสามสิบสี่สิบองค์ได้นะสมัยโน้นครูบาอาจารย์เยอะเข้าไปเรียนนะแต่ลรองค์ใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันแต่เราฟังรู้เรื่องรู้ว่าท่านพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดภาษาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองงั้นธรรมะมันลงเป็นเนื้อเดียวกันเลยพูดกันรู้เรื่อง จำได้ไหมที่สอนมา น, นี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะงั้นเราไปฟังซ้ําบางคนเจตนาฟังไร้สดเนี่ยนะเพื่อจะรับพลังธรรมะตอนลหลวงพ่อไร้สดเนี่ยฟังแล้วมีพลังไหมมีนะถึงไปฟังอยู่ประเทศอื่นก็มีเพราะอะไรเพราะมันสดสดร้อนๆอนธรรมะสดสดร้อนๆอนนมันมีพลังธรรมะแห้งๆนะพลังอ่อนลงไป นี่บางคนน่ะโง่คิดจะฟังเอาพลังแทนที่จะคิดฟังแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเกิดพลังด้วยตัวเองนั่นเราฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัตินานแล้นฟังตรงนี้ยังไม่เข้าใจไปฟังซ้ำเมาให้มันเข้าใจวิธีปฏิบัติถ้าเราต้องการความสงบเราอยู่กับรมคมฐานที่มีความสุขไม่เจตนาให้สงบแล้วมันสงบเอง ถ้าเราต้องการฝึกจิตให้เป็นผู้รู้มีสมาธิชนิดเป็นผู้รู้เราก็ทำสตินะรู้ทันจิตที่เป็นผู้หลงจิตหลงไปคิดเรารู้ทำกรรมฐานไปพุโตพุโธจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้นี่เราจะได้จิตผู้รู้ทันทีที่รู้ว่าหลงก็จะได้จิตผู้รู้พอมีจิตผู้รู้แล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆต้องเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็คือแยกขันสะอน ร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไจิตเป็นคนดูอย่างที่หลวงพ่อให้ยิ้มให้พยักหน้าแต่เคล็นรู้สึกไหมจิตเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ตรงไหนนะแค่รู้วา่าร่างกายนี้มันถูกรู้เวลามีสุขมีทุกข์ขึ้นมาก็เห็นให้สุขทุ ก, ก, นะลลกลลขมกกลล์มันถูกรู้ะเวลาโลภกรดลงขึ้นมาก็เห็นให้โลบกรดลงมันถูกรู้เนี่ยพอมันมีผู้รู้กับสิ่งถูกรู้เนี่ มันจะเห็นเลยทุกอย่างที่เกิดดับทั้งสิ้นเลยสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเกิดแล้วดับตัวผู้รู้เองเกิดแล้วก็ดับแต่ตัวนี้เห็นยากวาอย่าไปดูตัวผู้รู้โดยตรงนะจะไปหลงเพ่งอย่างร้ายแรงเลยแก้ยากถ้าไปเพ่งตัวผู้รู้แล้วติดกันเป็นปีนแก้ยากเราต้องฝึกไม่เพ่งอะไรสักอย่างนะอยู่กับปัจจุบันไป แต่สํานวนบาลีนะในพระไตรปิฎกใช้เพง่งพราหมณ์ผู้มีความเปลี่ยนเพ่งอยู่อะไรอย่างี้เพะฉะนั้นสํานวนแปลสํานวนแปลไม่รู้จะใช้คําะไรให้มันตรงกับสภาวะาใช้คําว่าเพ่งนะถ้าเพ่งลักษณะถ้าเพ่งสภาวะถ้าเพ่งสภาวะเป็นสมถะเพ่งลักษณะเป็นวิปัสนานะใช้เพง่งภาษามนุษย์นะ มันไม่สามารถสื่อธรรมะได้ตรงๆหรอมันจะเหลื่อมอยู่นิดนึงนิดนึงอยู่เรื่อยๆนะงั้ น, งภาา น, น, นภาษาเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะภาษานี่ยังเป็นจุดอ่อนในการที่จะสื่อสภาวะในใจเรางั้นการฟังการดูการฟังการคิดอะไรนี้เวลาเราคิ ด, เ ร, คด เ, าาออเราคิดเป็นภาษานะึออกไหมเราคิดเป็นภาษาน่ะมันจะเหลื่อมอยู่นิดนึงนิดนึง มันยังไม่ตรงสภาวะจริงๆสภาวะจริงๆเราจะเจอได้นะต้องไปเห็นเราไปเห็นด้วยตัวเองแล้วเข้าใจขึ้นมาไอ้ที่ท่านว่าเพ่งๆก็สำนวนว่าเพ่งที่จริงก็คือรู้ลงปัจจุบันไปนะอย่างเราจะรู้ด้วยตัวเองนี่ภาษาบางทีหลอกให้เราหลงไปนะยากไหมใครรู้สึกว่ายากสาภาพหน่อยเถอะ เออต้องมันยากนะหลวงพ่อว่าเพราะที่หลวงพ่อสอนสั้นๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมันครอบคลุมสมาธิสองชนิดนะครอบคลุมถึงการขึ้นสูวิปัสสนาเราเนื้อหาเนี่ยเยอะมากลองไปฟังซ้ำๆนะหรือฟังซีดีหลวงพ่อเรื่องอื่นก็ได้เพศกันอื่นก็ได้ฟังเร่อย ๆ, ๆเดี๋ยวก็เข้าใจเนะ เราคงไม่งงอถึงขนาดฟังหลายๆรอบแล้วไม่เข้าใจหรอกอพอสมควรนะหมายเลขสิบสองค่ะทำในรูปแบบทุกวันด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆในการใช้ชีวิตประจำวันขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำหากมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมแก้ไขด้วยค่ะ ภาวนาะก็ดีขึ้นแล้วล่ะนะยามรู้สภาวะไปว่าจิตมันหลงไปคิดเอารู้มันยังหลงคิดเก่งอยู่ไหลไปคิดเอารู้เพ่งไม่มากนะแต่หลงมากกว่าเพง่งเพราะงนเวลามันหลงไปเนี่ยรู้ไวๆห น, หน่อยเท่านั้นแหละไม่ใช่ห้ามว่าห้ามหลงนะ หลงก็ได้แต่อย่าหลงนานอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจไปจิตมันหลงไปเรื่องอื่นจะได้รู้ทันไวๆถ้าเราไม่มีวิหารธรรมมันจะหลงยาวรู้เรื่องไหมรู้เรื่องก็นั่งหลงหมายเลขสามสิบหกค่ะ ส่งการบ้านรอบหนึ่งปีหลวงพ่อบอกให้เกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้หนูก็ไปดูและรู้เท่าที่รู้ได้หนึ่งปีนี้หนูได้เห็นว่าความทุกข์ความสุขความเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับตัวรู้เดี๋ยวมันก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปคิดหนูเห็นว่าจิตมันไหวเพราะมีความอยากคอยผลักให้จิตไม่อยู่ในสภาพเดิมมันทุกข์เห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับ มีช่องว่างขึ้นแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมันก็จะจําสภาวะของจิตดวงก่อนมาทํางานต่อคําถามคือตอนนี้หนูอยู่กับรู้ไหลประคองหน่อยหน่อยหนูควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะจิตไปอยู่กับอะไรก็รู้ว่ามันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปห้ามมันหรอกนะจิตมันชอบกังวลก็รู้ว่ามันกังวลดูออกไหม จิตมันกังวลเก่งนะก็รู้ว่ามันกังวลจิตเป็นไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละอย่างตอนนี้จิตมันประคองอยู่ก็รู้ว่ามันประคองอยู่รู้อย่างที่มันเป็นนะใจหนูมันยังดิ้นรนสูงอยู่ตรงที่มันดิ้นรนมันจะทุกข์นะนียเรารู้เท่าทันเลยเนี้ยใจดิ้นรนแล้วมันอยากดีแล้วมันอยากพ้นทุกข์แล้วรู้ว่ามันอยากเข้าไปเลยแล้วมันจะค่อยดีเองแหลนะหมดอยากเมื่อไหร่ก็หมดทุกข์เมื่อนั้นแหละ หายเลขห้าสิบอ็ดค่ะเข้าใจว่าเห็นการเกิดดับของจิตจากตอนที่คุยแล้วหยุดแล้วเห็นความรู้สึกมันหุบหรือ<ม>ดับไปสู่ความว่าง<ม>และในการดูบางทีก็ตั้งความคิดนำหน้าว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยมไม่ใช่ตัวเราบันดาลให้เกิด<ม><ม>เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ ตรงที่เราคิดว่ามันเกิดเองมันดับเองไม่ใช่เราสั่งอะไรเนี่ยนะมันยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะตรงที่คิดเอามันแค่เราคิดเรื่องไตรลักแต่ที่พูดถึงตะเกียบว่าคุยอยู่แล้ว เ, เห็นจิตมันบานลลกมาจิตมันหุบลงมาอันนี้เห็นจริงๆนะเห็นอย่างนั้นแหละดีแต่ถ้ามันไม่เห็นนะถึงค่อยไปคิดเรื่องไตรลัก แต่ถ้ามันเห็นอยู่อย่าไปคิดเอาให้เห็นเอาจิตไม่ถึงฐานดูออกไหมขนาเนี้จิตมันกว้างกว้างออกข้างนอกใช้พยักหน้าไ ม, ไม่ต้องพูดเนาะเราเพ่งอยู่รู้ไหมมันแน่นมันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นเวลาเพ่งอย่างตอนนี้มันเริ่มเพ่งกันมาแล้ว มันจะไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่พลิ้วไหวส่งจิตไปดูรู้ไหมออนั่งไดเห็นสภาวะแล้วก็ใช้ได้แล้วขอให้เห็นสภาวะเท่านั้นแหละโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแสงก็แค่นั้นแหละจะยากอะไรนักหนาตรงที่เราเห็นสภาวะได้เรื่องเรามีสติอยู่ มีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเรารู้ตรงที่ไม่เข้าไปแทรกแสงใจมันตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางมีสมาธิที่ดีอยู่ถ้ามีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นนี่เราก็ต้องทําบ่อยๆเรียกว่ามีความเพียรกิเลสเกิดแล้วคอยรู้บ่อยๆ กุศลก็จะเจริญกิเลสก็จะค่อยลดลงสติก็จะเร็วขึ้นสมาธิก็จะตั้งมั่นมากขึ้นนี่เป็นส่วนของการฝึกจิตในองค์มรรคมรรคมีองค์แปดมีส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกจิตโดยตรงอยู่สามข้อคือสัมมาวยายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่หลวงพ่อสอนก็เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นแหละนะแล้วถ้าสติเราดีนะ สติคุ้มครองจิตใจเราได้เวลาเรามีความเห็นผิดกนะ็จะรู้ได้ง่ายเวลาเราคิดผิดก็จะรู้ได้ง่ายเวลาเราพูดผิดมันก็รู้ได้ง่ายเวลาเราทำผิดมันก็รู้ได้เงนอ ง, งนมรคทั้งหลายมันจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมามีความเห็นถูกเขาเรียกสัมมาทิฏฐิทิดถูก็เรียกสัมมาสังกัปปะ พูดถูกกะสัมมาวาจาทำถูกก็สัมมากัมมันตะสัมมาชิวะอาศัยสติพวรู้เท่าทันจิตใจตัวเองบ่อยๆแล้วองค์มรรคทั้งเจ็ดเนี่ยมันจะค่อยเจริญขึ้นขาดสติตัวเดียวนี่ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่อกุศลหมายเลขห้าสิบสามค่ะ ได้ฟังเทศจากย t u b e ได้หกเดือนและมาส่งการบ้านครั้งแรกภาวนาวันละสองชั่วโมงเช้าเย็นสลับเดินจงกรมบางครั้งประจำวันดูร่างกายทำงานผมปฏิบัติได้ถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องจะได้ไปปฏิบัติต่อครับของโยมถูกแล้วนะปฏิบัติถูกแล้วฝึกไปเรื่อยๆอย่าหวังผลนะถ้าหวังผลมันจะไม่ได้อะไร ไม่จะเหน็ดเหนื่อยถ้าทําไปถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาปฏิบัติทุกวันทุกวันไปแล้วมันดีเองอะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมดูออกใช่ไหมนั่นแหละมันวินยูชนมันรู้ด้วยตัวเองนะนรู้ได้ด้วยตัวเองจิตใจเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วแทนที่เราจะไปนั่งเพ่งให้เคร่งเครียดนะ่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นละใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา แต่พอมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราไม่ประคองจิตให้นิ่งๆเหมือนตอนนี้นะเ ร, เราก็เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไปเรื่อยนตอนนี้จิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตเป็นยังไงรู้มั้ไปที่ฝึกจะถูกแล้วล่ะดีฝึกอีกหมายเลขหกสิบแปดค่ะปฏิบัติด้วยการรู้สึกตัว เดินจงกรมตลอดทุกวันรับรู้อาการไหวๆกลางอกอแรกๆ ร, รุนแรงแต่ช่วงหลังเบาขึ้นขอความเมตตาจากหลวงพ่อแนะนําการปฏิบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพัฒนาต่อไปได้ค่ะเรียนรู้สิ่งที่ผิดของตัวเราเองนะอย่างเวลาเราหลงเราก็รู้ว่าหลงเวลามันไปเพ่งเราก็รู้ว่าเพ่งเรื่องเพ่งมันก็ยังมีอยู่ เวลาเพ่งมันจะมีน้ำหนักขึ้นในใจตัวนี้รู้ใช่ไหมน่นแหละดีมันจะมีจุดซึ่งเป็นแค่รู้เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแสงจุดนี้นานๆเจอทีไม่เป็นไรส่วนใหญ่ไม่หลงไปก็ไปเพ่งเอาไว้อันนั้นเป็นทุกคนนะที่ฝึก อ, อยู่อดีแล้วละฝึกถูกแล้วยายายมสังเกตไปเรื่อยๆอย่างขนาดเนี้ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เข้าฐานตัวนี้ดออกไหม จิตมันกว้างๆจิตมาอยู่ที่หลวงพ่ออะไรย่างเงี้ยรู้ว่าจิตมนออกนอกตรงที่เรารู้สิ่งที่ผิดพอมันไม่ผิดมันก็ถูกของมันเองเลยอย่ตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมเนี่ยเราทราบอย่างเนี้ยใช้ได้นะเราไม่ห้ามว่าห้ามคิดอย่างเงี้ยไม่ห้ามแต่เธอไปคิดแล้วเรารู้วัยๆาอ้าวลงไปคิดและไม่ว่าเขา ต่อไปพอลงคิดปุ๊บรู้ปับ๊บลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บนะตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงขึ้นมาตัวรู้เนี่ยจะเด่นแล้วมัจะเห็นเลยโลกทั้งโลกเนี่นะก็เพื่มไหม่อยู่ตลอดเวลาตรงนี้เห็นยังโลกนี้ก็เพิ่มไหวใจเราก็ก็เพิ่มไหวโลกนี้เหมือนคลื่นที่ก็เพิ่มไหวถ้าค่อยๆเรียนไปจะเห็นดีแล้วที่ฝึกไปฝึก อ, อีก หมายเลขเจ็ดสิบสองค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมครับขอให้หลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนำการปฏิบัติที่ถูกจริตกับผมด้วยครับที่ฝึอกอยู่นี้ใช้ได้นะฝึอกอยู่ความรู้สึกตัวอะไรเนี้ยดีนี่ต่อไปพอมันรู้สึกตัวได้อย่างนี้เราก็ค่อยดูความเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยรู้ทันมันสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วไปก็คอยรู้ทัน ฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆดีในรูปแบบต้องทำนะเพื่อ จ, จิตจะได้มีพลังถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยนะเหมือนกับไม่ได้พักเลยเดี๋ยวจิตจะอ่อนแรงไปเราั้นแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบทุกวันทุกวันห้ช่วยให้การภาวนาของเราราบรื่นดีแล้วละที่ฝึกฝึกมานานกี่เดือนแล้วเนี่ยหกเดือน เก่งหกเดือนฝึกได้ขนาดนี้เก่งนะพวกลูกศิษย์รุ่นเก่าๆนะหกปียังไม่ค่อยจะได้มันอย่างนั่งเพยงเงาเลยดีแล้วล่ะหมายเลขเก้าสิบหกค่ะที่ปฏิบัติอยู่คือตามลมหายใจและจิตไหลไปคิดรู้ทันทำถูกไหมครับถูก และให้ทำต่อไปได้ไหมครับได้เพ่งไปไหม่ครับตอนนี้เพง่งแต่จีไม่เพง่งวิธีดูว่าเพ่งไม่เพ่งนะจะสังเขตมนจะหนักหนักขึ้นมาแน่นแน่นขึ้นมาถ้าใจเราหนักใจเราแน่นใจแข็งแข็งใจซึมทื่ออะไรอย่เนี่ยเพ่งแน่นอนนี่จะห้ามไม่ให้เพ่งเลยเนะี่ยมันทำไม่ได้ใหม่ๆว่าเพ่งทุกคนแหละนะเพราะมันอยากดี นี่ต่อไปเราฝึกชำนิชำนาญขึ้น น, นเราจะรู้ว่าเพ่งนี้ก็เป็นภาระนะเพ่งก็เกิดจากตัณหาอย่างดีมันก็ค่อยๆลดการเพ่งหลงเหลือเป็นการรู้เอานี่ยิ่งยืงยนนานยิ่งเพ่งใหญ่เลยรู้สึกไหมถ้ารู้ก็ใช้ได้คือภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกเห็นสภาวะได้ไหมนี่ข้อที่หนึ่งอย่างเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งหลงไปคิดว่าหลงไปคิดสุขอยู่รู้ว่าสุขอยู่อะไรอยางนี้ ทุกอยู่รู้ว่าทุกอยู่โลภปลดหลงอยู่รู้ว่ารอบปลดหลงนี่ล้วก็รู้สภาวะแล้วอันที่สก็คือเป็นกลางอสภาวะเห็นนสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปมาแล้วก็หายไปเราไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่มีความสุขก็ไปรักษามีความทุกข์ก็ไปห้ามมันะเป็นขุศนก็รักษาไว้หรือหิวบุญอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหยหิวบุญก็ทุกข์นะ <laughs> เดี๋ยวนี้ดีแล้วเมื่อก่อนหิวบุญนี่เราคอยเรียนรู้ไปนะ<ม>เห็นสภาวะไป<ม>เห็นด้วยความเป็นกลางดีที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะดีอย่างติดเพลงนี้หน่อยหมายเลขหนึ่งร้อยสี่สิบสามค่ะเพิ่งเริ่มสนใจปฏิบตัติฟังซีดีของพระอาจารย์ในบางส่วนแล้วสนใจอยากเริ่มปฏิบัติ โดยเริ่มจากการมองเห็นกายของตนเองแต่บางครั้งกลับรู้สึกเหมือนใจลอยอมไม่แน่ใจว่าต้องรู้สึกอย่างไรจึงจะถูกต้องและปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องคะก็ร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วพอใจลอยมันก็จะหนีไปเรื่องอื่นไม่ไม่คิดเรื่องกายแล้วไม่รู้สึกที่กายแต่จะหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่าใจลอย นี่ถ้าเราคอยรู้สึกกายบ่อยๆนะสติมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้สึกกายเรื่อยๆนะสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเลยไม่ว่าจิตจะเคลื่อนไหวยังไงมันก็เห็นเองแหละไม่ต้องห่วงมันเห็นได้เองเพราะการดู ก, กายเนี่ยสุดท้ายก็เห็นจิตที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะแต่ของหนูมียังเพ่งแรงไปนิดนึงการเพ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดจากโลภ อยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้ตลอดเวลาอนะไรเนี้ยมันจะเพิกนะถ้าเรารู้ทันเลยก็าหายหมดแล้วหรือลวพ่อชมนะขอชมเวยพวกที่ส่งกันบ้านวันนี้เรียนไม่นานใช้เวลาไม่มากนะห้าเดือนหกเดือนอะไรเนงะี้ยก็สามารถ ตื่นขึ้นมาได้สามารถแยกขันออกไปได้ไม่ธรรมดาดอกในโลกหาคนตื่นเนี้ยยากมากนะแล้วตื่นแล้วก็ยังต้องแยกขันอีแยกขันแล้วก็เหลืออย่างเดียวเห็นแต่ละขันแสดงไตรลักษณั้นแหละเห็นแสดงไตรลักษณ์เห็นอะไรเห็นขันเห็นยังไงเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ มันขันแรกต้อตื่นขึ้นมาไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่วจิตมันตื่นขึ้นมาพอมันตื่นแล้วก็หัดแยกขันวิธีฝึกก็ง่ายๆนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนรู้สึกเห็นไหมร่างกายนั่งมันถูกรู้ครู้สึกอย่างนี้ร่างกายหายใจมันถูกรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปนะพอมันแยกชนานาญขึ้นแล้วสังเกตต่อไป ทุกอย่างที่ถูกรู้เนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกอย่างที่ถูกรู้เนี่ยมาแล้วก็ไปทุกอย่างที่ถูกรู้เนี่ยเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราสั่งนันนั้นนะคือการเจริญวิปัสสนาการเจริญปัญญาที่แท้จริงงั้นมันไม่ได้ยากอะไรนะมันยากสำหรับคนหลงนี่เราไม่ใช่ผู้หลงแล้วเราเป็นผู้รู้จิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานขึ้นมาแล้ว มันรู้สึกตัวเป็นแล้วมรู้สึกตัวเป็นมันก็แยกขันไปไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยเฉยนะรู้ตัวอยู่เฉยเฉใช้ไม่ได้รู้ตัวแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหววันนี่มันถูกรู้นี่หว่าขันวันนี้มันก็ถูกรู้นะคอรู้สึกมันถูกรู้ยมันถูกรู้อยู่หรือความรู้สึกทั้งหลายมันก็ถูกรู้สุขทุกข์ดีชั่วก็ถูกรู้เี่ยค่อยสังเกตไปอย่างนี้ แล้วตามันจะเห็นนะกระทั่งตัวผู้รู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดตัวผู้รู้ดับไปเกิดตัวผู้คิดเดี๋ยวตัวผู้คิดดับเกิดตัวผู้เพ่งขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาล้นแต่ตกอยู่ใต้ใจรักทั้งนั้นเลยกระทั่งตัวจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ใจรักเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอื่นๆนั่นแหละแต่ตัวนี้จะดูยากกว่าตัวอื่นๆ อย่างร่างกายเราเนี่ยนะใจเราเป็นคนดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่จิตไปเห็นเข้าวความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเนี่ยพอใจเราเป็นคนรู้เนะี่ยเราจะเห็นเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ผ่านไปที่ยากคือไอ้ตัวผู้รู้นี่แหละมันจะรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ด้วยนี้ถ้าเราเห็นไอ้ตัวผู้รู้เองก็เกิดดับนะต่อไปก็พบว่าไม่มีเราที่ไหนเลยร่างกายตัวรูปนี้นะ ก็ไม่ใช่เราความรู้สึกต่างๆตัวเจตสิกนี้ก็ไม่ใช่เราตัวรู้คือตัวจิตก็ไม่ใช่เราจิตเจตสิกรูปไม่ใช่เราถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือได้พระโสดาบันไม่ต้องห่วงแว่าจะได้อะไรมันได้เองเลยแล้วเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นต่อไปอีกเห็นตัวรูปนี้ตัวกายนี้นะเป็นตัวทุกข์ เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดความยึดถือในกายนะก็เป็นภูมิของพระอนาคามีนะแล้วต่อไปก็หมดความยึดถือในจิตและเจตสิกคือในตัวจิตและตัวความรู้สึกทั้งหลายวางออกไปพร้อมๆกันจิตกับเจตสิกวางพร้อมกันนะนั้นรู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะเนีดับไปพร้อมๆกันที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นตรงที่ปล่อยวางจิตได้ นี่เรียนแทบตาย้วเพราะวันหนึ่งก็ไปสู่ความปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้หวางอีกแล้วละเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนยวแน่นที่สุดว่าคือตัวเราของเราก็คือจิตใจเราเนี่เองร่างกายเป็นของเราบ้านก็บ้านของเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเราอยู่ข้างในเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่จิตถ้าเห็นความจริงของจิต ใจทองแทนะ้นึกรู้ถึงใจจริงๆคือพ้นจากความปรุงแต่งไปเรียกใจก็จะรู้จกรรักทมได้ใจก็ได้ทรรเชินกลับบ้านได้พรุ่งนี้มีทอดกระถิ่นนะมาได้แต่ว่าในนี้ต้งเก็บพื้นที่ไว้ทาพิธีกรรมหลวงพ่ออะไรไม่ได้ให้จอง เป็นพวกเจ้าภาพบ้างเพราะอะไรบ้าง